เออลูกรักเสาร์าตอนนี้ก็ แต่ถ้าบังเอิญมีใครก็สนใจจะช่วยทุนก็ดีเหมือน พอฟังไปไม่นานเท่าไหร่สิงก็ญาณไป ไอ้ชายที่เอาไว้โนดนะราคาตามเดิมมี เวลาช่วยก่อนก็เช่นเดียวกันช่วยก่อนเนี่ยถ้าคิดมองเห็นกําไรมันอาจจะมี เพราะว่าพ่อไม่ใช่พ่อค้าพ่อเป็นพระ พระเขมือเครื่องไม้เย็นในสมัยปัจจุบันนี้มันไม่มีปรากฏว่าที่อำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีและก็อำเภอเสนาจังหวัด ถ้าสงค์ได้ก็ทําเป็นประตูเลื่อนเค้าเรียกประตูน้ําประตูเลื่อนมีประตูปิดเปิดแล้วก็มีประตูกักน้ําประตูกักน้ําสมัยนั้นบานประตูก็ไม่ได้ น้ำก็ไหลไปเสียงสู้ๆแต่สู่แม่น้ําท่าจีนและก็แม่น้ํา ทำกันยังไงตอนนี้ก็ต้องทําคันดินกั้นน้ําบนบกตอนนั้นพ่อจําได้ว่าไม่มีงบประมาณสมัยนั้นประเทศไทยเรามีงบประมาณประจําปีเพียงปีละ 60 ล้านบ้าง 70 ล้านบ้างเรื่องจะทําคันกั้นน้ํา บริเวณที่ทำนาทุกบ้านที่มี ทุกคนเค้าก็เต็มใจไปทำทำเสร็จภายในปีเดียวแต่ละคนที่ไปทำกันก็แต่ละบ้านที่ไปทำกันนะยกทีมกัน 5 6 วันก็ เพราะนั้นว่าคันดินกั้น 5-6 หมื่นไร่ 5-6 วันเท่านั้นเพราะกําลังกายกําลังใจที่ พบว่าจุดของบุคคลผู้ใดเขาเสีย เพียงเท่านี้เค้าทํากันได้บ้านหลายๆคนอ่านหนังสือไม่ออกเพราะผู้ใหญ่บ้านบางคนเขียนได้แต่ชื่อหนังสืออย่างอื่น อันนี้เป็นจดหมายที่พ่อจะฝากข้อและประการที่ 2 ถ้า คือว่าทําให้เป็นอย่างท่านนายอําเภอคนที่ว่าพอจําชื่อท่านไม่ได้อาจจะชื่อ เจ้าของเจ้าของก็เห็นในอำเภอคนก็เกรงใจเค้าก็ไปแย่งจอบของเค้าๆแบบนี้ เวลาท่านไปท่านก็ทําอาหารหม้อใหญ่ๆไปหม้อนึงหรือ 2 หม้อไปแจกกับคนแต่ละจุดวันนี้ท่านไปจุดนี้วันโน้นท่านไปจุดโน้นท่านถ้าท่านเดินแจกอาหารเวลารับทานอาหารอาหารที่ แต่ว่าเขาแข็งแรงดีกว่าๆผักมะม่วงสดๆเด่งจากกลางทุ่งนามาล้าง ทั้งทั้งที่นายอำเภอไม่ได้ไปรู้ไปเกี่ยวด้วยไปคล้องด้วยเขาก็ไม่เคยได้เงินจากท่าน แต่ว่าพ่อเองเวลานี้ก็ไม่ค่อยเอาใจคนซะแล้วไม่เหมือนสมัย ถ้าใครมาไม่ประกอบด้วยเหตุที่ผลพ่อถือว่าเวลาของพ่อมี เกษตรบ้านส่วนใหญ่เค้าก็มาหาพ่อในฐานะที่ เวลาพวกผมน้อยผมจะรีบกลับถ้าลูกดอนขยันนี้ลูกจะ ถ้าอย่าจะกลับกันเร็วก็ตามใจกลับกันพ่อไม่ได้โกรธเค้าพ่อ แล้วพ่อก็ถือใจของพ่อเป็นสําคัญเลยโคดะ แม่ไม่เคยไม่เคยมีลูกคนใดขัด ถ้ามาสําเร็จใจอยู่หัวทรงตัดต่อไปพ่อคงจําไม่ได้ทั้งหมดทั้ง พระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็มีพระราชดำรัสว่าเรื่องนี้ โรงก็ทรงตรัสว่าพระองค์ก็ทําแบบพ่อเหมือนกันซึ่งมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากก็ไม่ใช้สําหรับที่เอ่อดอย 3 4 นิ้ว ทำไมวนน้ำมันก็ไหลไม่เต็มท่อแต่ เนี่ยขึ้นกับกระทรวงเกษตรโดยตรงเพราะ เพราะว่าการทําเนี่ยมันจําเป็นที่เองต้องรับทั้งผิดและทั้ง โอรักของพ่อทุกคนเป็นค่าให้การจําไว้นะลูกนะจําแนวทางที่พระบาทเนี่ย นั่นก็คือมาถึงใกล้เชียงใหม่ 2 ชั่วโมงครึ่งพ่อเองเลย เป็นวาระแรกที่พบพระบาทสมเด็จโคราชอยุธยา แล้วก็หมออะไรน้อเออลุยความพร้อมนิดนี่เป็นคนใกล้คิด ตอนนี้ไม่ยาวเกินไปก็จะปรารภเรื่องที่พระบาตรสมเด็จ 2521 ก่อน 1 วันก่อน 1 วัน เราเป็นผู้ไทยเขาจังหวัดไทยออยศัพท์จากคุณประเสริฐจังหวัดชลบุรี 14 เมษายนเพื่อถวายเงินโดย และก็ให้ลูกทุกคนเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ขอลูกรัก ได้ของมามากแล้วก็ทํามากได้ของมันน้อยแล้วก็ทําน้อยทําตามกําลัง ว่าพระมหาวีระนี่อวดฤทธิ์อวดเดชอีกแล้ว ว่าเรดูทุกคนของพ่อถูกคณินทาว่าราย จิตใจของเขาไม่มีความดีแต่อารมณ์เลวพ่อไม่ได้ด่าเขานะลูกนะพ่อเล่าให้ลูกฟังว่าอารมณ์อย่างนี้นะลูกจงอย่าไปใช้ลอกเอาแต่ความดีไปใช้อย่าลอก ความดีมีอยู่กับคนทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็คนจะจําความดี อย่าไปถือสาความมสุนักเลวความจริงสุนัขเค้ามีดีไม่ใช่มีเลวอย่างเดียวที่เราว่าเลวก็ถือว่าเค้าไม่สัตย์ตระฐาน สำหรับท่านที่พูดเนี่ยก็ไม่ นี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าคนอื่นทําอาการคล้ายๆกับ ตัวอย่างเช่นนี้มีมามากก็พ่อเป็นคนแบบ ไอ้เนี่ยเทียบกับการเรียนหนังสือก็ยังไม่ถึงชั้น ทำมี channel แล้วลูกอาจ 14 เมษายนยังไม่ถึงก่อน 14 พ่อจะ เพราะรับเงิน 100,000 บาทมาเข้าทุนเป็นกอง 15 ตอนเช้าพ่อจําเป็นจะ แต่ความที่ไม่อยากจะขัดใจใครใน พ่อๆไม่ค่อยจะมีเงินใช้เป็นส่วนตัวกับๆเดือน เงินเหลือจากนี้เงินจํานวนนี้ทั้งหมด เดี๋ยวไม่